ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอประวัติของสุมเมตมนุ์ซึ่งตระมาได้ออกบวชเป็นสุมเมตระดาบุตในสมัยของพระศาสดาสมพระนามจีปังกอนพุทธเจ้าโดยเป็นการออกบวชก่อนการอุปัฏฐากของ พระพุทธเจ้าทรงปนามะทีปังกอนทันบไม่นานประรุ้นฐานทางวาสนาบรมีสูงบำเพ็ญเพียรในทางจิตก็ได้บรรลุรูปฌานสี่รูปฌานสี่เทเรโควสมาบัตแปดแล้วขนก็คือได้อภิญญาห้าประการซึ่งเป็นโลกยีย์ ตอนในแง่ของประวัติศาสตร์เราจึงเห็นชัดเจนว่าพระนาการทางดัาจิตปัญญาในโลกะนุษย์มนุษย์ได้สัมผัสผ ล, ผลทางจิตที่ค่อนข้างสูงมากถ้าไม่นับพระพุทธศาสนานั้นก็คือเรื่องของฌานสมาบัติฌานสมาบัตินั้นเป็นโลกีธรรมชั้นสูงสุด แล้วก็ไปจบลงที่รูปฌานที่สี่ที่เรียกว่าเนวสัญญาสัญญายัตนะแต่ถามว่ามีการเรียนการสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีการริสูจ์ปฏิบัติการมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นก็คงจะตอบไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปศึกษาเรื่องชาดกเนี่ยมันจะปรากฏเรื่องเหล่านี้บ่อย อย่างที่ได้บอกไว้ในวันก่อนว่าการศึกษาเรื่องของาศาสนานั้นจะต้องพยายามหาข้อเท็จจริงในแง่ของปรติศาสตรแล้วข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะัละข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหาริย์ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่สืบสานต่อกันมามันมียุคเสื่อมมียุคเจริญยุคตรงนี้ถือว่าเป็นยุคที่เจริญเพราะว่าเป็นยุคที่มีระพุทธเาอุบัติบังเกิดขึ้น และคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในช่วงของศีลกับสมาธิก็มีความเชื่อมโยงอยู่กับหลักคือสมบัติทั้งแปดประการนั่นเองทั้นั้นในยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเราซึ่งหลังจากนั้นาอีกตั้งสี่อสงไขยกับแส่กลับเนี่ยเมาก็มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติในแนวนี้อยู่ แต่ในชั้นนี้คงไม่เจาะลึกลงไปในรายละเอีย yes. ดแต่อยากจะกล่าวโดยสรุปว่าคำว่าฌานั้นแต่ว่าเพ่งหมายความว่าเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นอาการก็ได้ในกรณีของการเพ่งก็คือการตั้งสติและลึกรู้ในอารมณ์ในอะไรอย่างหนึ่งส่วนใหญ่สมัยโบราณก็ใช้แนวกนสิน ดูดินบ้างน้ำบ้างลมบ้างไฟบ้างอากาศบ้างสีต่งตางๆบ้างช่องว่างต่งตางๆบ้างแล้วให้จิตสงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นซึ่งพอถึงจุดหนึ่งจิตมันก็เดินก็สู่กระแสของสมาธิพอพอสมาธิก็คือสมาธิคือจิตจะสงบเป็นขณะ แล้วสงบเพิ่มขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิจากนั้นก็สงบได้นา น, านๆเรียกว่าอปนาสมาธิและจากจุดนี้เองก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตถ้าเข้าถึงระดับของปฐมฌานอาการที่ปรากฏภายในจิตของผู้ปฏิบัติก็คือมีวร์ทั้ง5ประการนั้นสงบลงไป นิวรณ์ก็คือสิ่งที่กั้นจิตเป็นมนติมจิตเป็นสนิมจิตก็แล้วแต่จะเรียกนะครเราจะเห็นว่าบรรดากิเลสเหล่านั้นแม้จะห้าข้อแต่ที่จริงก็คือสามข้อใหญ่คือมาจากโล ก, กวดงนั้นเองข้อแรกเรียกว่าการมฉันทะคือจิตที่เดียวนึกตรุนึ ก, นกถึงอารมณ์ที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ เพราะสิ่งที่นำมาเหนียดนึกอาจจะเป็นอะก็ได้นะครก็ได้ปัจจุบันก็ได้ก็แล้วแต่แต่เมื่อกิจสงบเป็นสมาธิจนถึงบรรลุฌานเนี่ยอาการความคิดในแนวนั้นจะสยบคือถูกสยบแล้วให้สงบไปคือไม่ถึงก็หมดสิ้นไปนะะเพราะ่าการบรรลุระดับนี้เขาเรียกว่าเป็นกุปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าจะไม่มีลักษณะร่วม ระหว่างสมาธิกับจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของความใครในอารมณ์ทั้งหลายตัวนี้เลยกลายเป็นมาตรวัดสภาพจิตของใครก็ได้ที่พยายามแสดงตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติในส่วนของจิตสิกขาคือสมาธิแต่ในขณะเดียวกันก็ยังโลภไม่รู้จักบรรยัญิบรรยัคมีกา ร, รดร้อยรยกัน ไม่รู้จักจบจากสิ้นจนการเป็นที่สังเกตว่าสำนักกรรมฐานบางแห่งเป็นที่รวมของความโลภอย่างมหาศาลอยู่ในสถานที่นั้นในขณะเดียวกันวัดซึ่งไม่แสดงตวนว่าเป็นกรรมฐานก็ไม่ค่อยแสดงความโลภอะไรเพราะในสภาพจิตตรงนี้มันจะมีสองอย่างรูปกันไม่ได้ หมายความว่าถ้าจิตยังมีความโลภอยู่ก็แสดงว่าจิตไม่มีสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะไม่มีอาการของความโลภกิเลสประเภทนี้คือกิเลสประเภทคว้าเข้ามานะสุภะมาเห็นว่ามันเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นเคยจะต้องชดใช้กันอยู่ร่ำไปแต่เมื่อกล่าวโดยสภาพจิต มันจําเหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีหลากหลายกําหนดทิศทางไม่ได้เพราลักษณะของความอยากเราจะลองสังเกตว่าอยากนั้นอยากนี้อยากมน้นอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้นอยากชิมอยากจะต้องแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยที่ตาเห็นเป็นต้นมันก็มีความอยากเป็นอเนกันเราเหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีสารพัดสีแต่โดยอาการ สายไปของจิตเนี่ยมันไม่สงบเพราะว่ามันต้องดใช้การทวงจากเจ้าหนี้อยู่ร่ำไปจิตก็จะสูญเสียสรภาพสูญเสียความเป็น ต, ตัวเองเพราะถูกตามทวงอยู่ตลอดตอนผ่อนถึงระดับของผสมาชาดเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่เป็นกุศลขึ้นมารเรีองครพระรองชาญ ก็คือคุณธรรมที่เป็นกุศลเองมันเกิดขึ้นปรุงจิตแล้วก็อาการของจิตก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงรันั่นการแรกก็คือวิตกสภาพจิตที่เหนียวนึกจึกนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลพิจารณ์จิตก็จะใจจองสิ่งที่เป็นกุศลพิติจิตจะเ อ, อบ้ออิ่ม แสดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆแล้วก็สุขคือมีความสุขกายมีความสบายใจก็เน้นไปที่สุขใจนะเป็นหลักแล้วก็เอกกาตาคือจิตสงบเป็นสมาชิอยู่ในอารมณ์อันเดียวแลว้วเมื่อเราได้ดิ้มรสตรงนี้รสของความสงบนี้บ มันเป็นรถแห่งธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสปาราโซทัง ร, ร, ระซังชินาติรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงเพราะรถอะไรก็ตามที่เราต้องการจะสัมผัสนั้นตรงเริ่มที่การชิมให้ได้เพแนวของสมาธิทั้งสามระดับที่จริงก็เหมือนกับชิมความสงบก็ทําให้เกิดความพอใจยิยนดีในความสงบ ม, มากยิ่งขึ้น แต่่าถึงจุดหนึ่งอาการวิตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลมันก็สนุกยังเหลือแต่ปีติความอ่บอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกะกะตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิต้องมีจิตจะเสวยชัดเจนโดยเฉพาะสุขกับปีติ ท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ทซา์ซึ้งดรือ ด, ดำบางทีท่านแปลแปลว่าหวานใจยิ่งนักก็ฟังยากเหมือนกันะแล้วพอถึงจุดเด็กมาถึงชั้นที่สามเนี่ยแม้แต่ความรู้สึกปีติก็สงบยังเหลือแต่สุขกับสมาธิพอถึงชั้นที่สี่เนี่ยแม้แต่สุขก็สงบยังเหลือแต่อุเบกขา กับสมาธิคือเอกคตาคาเอาเบกขาชานนั้นเป็นการมองคล้ายๆกับอะไรอุปาอิขะคือเพ่งดูนะเป็นอาการของปัญญาอุปมาเหมือนกับแมงมุมที่ทำรังแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปอยู่ที่กลางรังพอมีอะไรมากระทบที่ตาข่ายแมงมุมก็จะวิ่งออกไป เราจะจัดการกระสิงเหล่านั้นตามสมควรแก่กรณีถ้าไมมีอะไรมากระทบมันก็สงบอยู่ที่กลางรังเพราะนจิตใจที่จเจริญมาถึงจุดนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนัน้มันมีอุเบกขาคือมีปัญญาคอยสวจสอบแล้วก็มีเอกกกตาคือสมาธิหรือใจที่มีอารมณ์เป็นนันนึ่งอันเดียว องค์ธรรมทั้งห้าประการที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยมันทําหน้าที่สงบนิวรณ์ห้าประการเหมือนกันเราเห็นว่าเป็นลักษณะของสยกคือหมายความว่าวิตรกเี่จะทําหน้าที่สยบความม่วงม่วงเหาวหานอนเอาไว้วิจารณ์ก็ทําหน้าที่สยบความเครียดแรงสกใสัยเอาไว้แล้วก็ปีติ ความเอือบอิใจก็สนุบความพยาบาทไว้ซุขความสบายกายสบายใจก็สุบอุทจจักกุกุกจจะด้วยความพุ่งสร้างความรำคาญไว้และเอากาตาคือจิตที่เป็นสมาธินั้นจะสงบพวกกามฉันทะพูดง่ายกว่ากิเลสประเภทโลภประเภทคว้าเข้ามาหานะถ้าพระพุทธศาสนาเราจะไม่ค่อยขึ้นไปทางอรูปฌาน แต่จะใช้ตรงนี้เป็นบาเจริญมีปั ส, สนาไปแต่ว่าท่านสุมเมธตราบทนั้นก็ไปขึ้นเทียรูปไปชาารูปที่จริงตอนต้นๆเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปที่ประดีก็เรียกอากาศสา ร, ารนันจายตระนคือไปเพ่งดูอากาศพราอนันตวการสวากาศหาที่สุดไม่ได้ จิตใจต้องเห็นจริงไปอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็เพื่อคือไม่สนใจอากาศแต่ไปมองที่วิญญาณซึ่งมีความเป็นนามสูงในสุดก็เห็นว่าวิญญาณเองก็เป็นอเนกกันนั้นคืออันหนึ่งตางวิญญาณหนังวิญญาณกว่าที่สุนสุดไม่ได้ในสุดก็จะเห็นโลกเห็นชีวิตว่าจะมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเขาเรียกว่าอากินจันดาจันตลนะคือเพ่งดูว่ามีอยู่เพียงนิดน้อยเท่านั้นเอง มันไม่ถึงกับไม่มีแต่ว่ามีก็ไม่มากพอถึงจุดหนึ่งเป็นเนวสัญญาณนะสัญญายิาตะนะมันไปเห็นสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะคือนามารูปเนี่ย่าจะมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่เชิงตำนองใกล้ยๆกับเราล้างภาชนะแล้วก็ถามว่าภาชนะนั้นมีน้ำไหม เราปฏิเสธว่าไม่มีน้ำทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะยังเปียกอยู่แต่จะบอกว่ามีน้ำมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันดื่มไม่ได้เพราะสภาพจิตที่รู้อารมณ์ในแนวเนียน้ยเราจะเห็นว่าก็สงบไปเยอะเพราะไม่รู้สึกว่ามีอะไรต้องโลภมีอะไรต้องโกรธมีอะไรต้องหลงถ้าท่านยังอยู่ก็ท่านอย่างนั้นกิเลสก็ไม่ฟูขึ้น ก็ทำให้เกิดเป็นพลังจิตออกมาในรูปของอภิญยาทั้งห้าประการดังกล่าวแล้วอภิญยาจึงเป็นผลของจิตที่สงบหมายความว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติพัฒนาจิตไปถึงสงบระดับดังกล่าวพวกอภิญยาก็เกิดขึ้นเกิดมากน้อยก็เป็นเรื่องของเหตุคือสงบมากหรือสงบน้อยแต่อิญยาเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่ข้อยุติ เป็นเพียงการพิสูจน์ยืนยันว่าจิตที่มีพลังหรือความสงบเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์จนยากที่จะยังรู้ได้แล้วก็ไม่ใช่วิสัยของสามัญชนที่จะไปคิดด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าฌานวิสัยคือวิสัยแห่งฌานเช่นไรเช่นว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ เรี๋วถ้าเราสังเกตรเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าของเราที่จริงแสดงฤทธิ์ตั้งแต่ต้นๆแล้วแต่ทร ง, ง, งแสดงในรูปของการผสม่มกลืนแล้วก็แสดงเสร็จเนี่ยผู้เห็นการแสดงเนี่ยบรลุบุรุหมดแล้วท่านก็ไม่ถือเป็นตื่นเต้นอะไรเรื่องเหล่านั้นสมครพระยาบุคคลก็ไม่ตื่นเต้นอะไรลองสังเกตนะฮะว่า นักประวัติศาสตร์ก็เคยมองกันเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าประทัสบสมบูรณงมติสุขอยู่คิอจะสารู้เนี่ยในวันเพ็ญเดือนหกประทัสบสมบูรณงมติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์หมายความมาสี่สิบเก้าวันแต่ว่ามาเทศสอนท่านปัญญวัคคีนั้นเมื่อวันเพ็ญเดือนแตดก็หมายความว่าเวลาตรงนั้นมีอยู่สิบเอดวัน จะเสด็จพุทธดาเนินมาเลยหรือว่าจะมาดิลิศเพราะถ้ามาโดยพุทธดาเนินไม่น่าเชื่อว่าพบคนเพียงคนเดียวคือเพราะท่านอุปการชีวกอยู่เพียงคนเดียวเส้นทางปัจจุบันเนี่ยสองร้อยกว่ากิโลนะฮถ้าเดินโดยลาพังก็เดินด้วยเท้ามาเดินโดยพระบาทมาไม่น่าจะพบคนคนเดียวมันน่าจะเจอคนเยอะ แล้วก็มีการจดจารึกเอาไว้มีการเล่าสู่กันฟังแต่ก็รากฏว่าพบอุปการชีวคนเดียวเป็นพระประสงค์จะพบพระทรงตรวจสอบอุปนิสัยของอุปการชีวกว่าต่อไปนั้นจะบรรลุมรดผลเป็นปยาปกติก็เสด็จมาเพื่อโปรดได้เป็นการหว่านพืชของศรัทธาเอาไว้เท่านั้นเอง ตอนแรกอุปการศิวกก็ไม่ในเรื่องอะไรเหมือนกันเพียงในเกิดสภาพจิตยอมรับตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกพระองค์ไม่ได้รับสั่งเล่าว่าชื่ออะไรท่นน า, านเลืกทรงใช้คำว่าอนะันตชินะคือเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงแล้วก็หาคนอื่นมาชนะไม่ได้มาความหมายคล้ายๆกับพิชิตตมานนะครัพิชิตตมาโรหรือพิชิตตมาน วันเป็นบบได้ไหมว่าช่วนหนึ่นงก็เสด็จปริตรเพราะย่าลืมระยะทางมันไกลมากแล้วก็มาถึงอิสิปตนะมรรคฐายวันก็ตอนสิบสี่ค่ำมายาวันสิบห้าค่ำนะฮะก็แสดงว่าก็มาแค่แปดเก้าวัน10่ปันไม่ไม่ถึงสิบปันนะ่ะนั่นก็คือเป็นข้อที่วิเคราะห์กันในแง่ของประวัติศาสตร์ แล้วก็เอาปูมิศาสตร์มาเอาเหตุผลจริงๆนะฮะว่าคนคนหนึ่งเดินทางตั้งสองร้อยกว่ากิโลเจอคนเป็นคนเดียวนี่เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเมื่อท่านไม่บันทึกไว้บันทึกไว้อย่างเดียวก็เป็นข้อที่จะศึกษากันต่อไปแต่ตอนที่โปรดธัญสัต์เนี่ยคือแสดงชัดเจนว่าทรงใช้ฤทธ ในลักษณะที่ทำสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ไม่ให้ปรากฏแก่สายตาคนคือสิ่งที่วางอยู่ตรงนั้นนั่นอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ให้คนอื่นได้เห็นนั่นก็คือตอนพ่อของพยาศามาพบพระองค์ตอนนั้นยาศะาบรรลุมรคลเป็นมาโซดานแล้วมากราบทูลถามว่ามาสมณะพระองค์เห็นยาศะคุณระบุเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหม เราสั่งว่าท่านอยู่ยนั่งลงตรงนี้แหละชลอยจะพบยาาะสะนสถานที่นี้เองก็ยะสะก็นั่งใกล้พ่อนั่นแหละแต่ว่าท่านไม่พูดอะไรพ่อไม่เห็นดยสษะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นนั้นก็แสดงปใช้อิทธิฤทธิ์แหละแต่พอจบลงเนี่ยเศรษฐีท่านก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันพอได้เป็นปโสดาบันก็ ไปเจอลูกชายนั่งกระไรๆเ อ, าอ้าเจษศาสตร์นั่งอยู่ตรงนี้เองมันก็เป็นถือไปเป็นเรื่องพิเศษอะไรสําหรับพระพุทธเจ้ามันเรื่องเล็กเกิดนะคเพราะแนวตรงนี้มันเป็นผลของจิตที่พัฒนาขึ้นมาและจากการที่ท่านได้บรรลุฌานสําหรับสําหรับคนยุคนั้นก็คือจบแล้แล้วก็พอดีในการนั้นพระ าศาสดาสมงนาวตีปังกรเนี่ยได้เสด็จประบติขึ้นมาในโลกคือการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่จริงพระองค์ไหนก็คือระวงนั้น น, นะครับถ้าในช่วงตรงนี้ถ้าเราไปศึกษาตำนานจริงๆนะฮะช่วงที่ที่เคยเล่าไว้ในตอนต้นเรียกว่าธูเลนิธานคือช่วงที่มันไกลลิบลนพ้นที่จะนับได้นะฮะก็เรียกว่ามาถึงตรงนี้ก็ผ่านมาเท่าไรสิบหกอสมคาย มันผ่านกับต่างๆก็เรียกว่าอาสุญญากับเราก็เรียนกันมามีพระพุทธเจ้าทั้งหมดถึงยี่สิบเก้าพระองค์แต่ว่ามาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าเราแค่ยี่สิบเจ็ดองค์ที่เราพูดถึงตํานานพระเจ้าห้าพระองค์อะไรเนี่ยกับนะกุนทโขโคนาคมกับโคดมเนี่ยเราก็เล่ามาบืต้น ปัจจุบันก็มีการนำมาสวดกันนะนะแต่ว่ามันเรื่องสลับ ซ, บซับซ้อนมันยากแล้วก็จะต้องศึกษาจะต้องมองในแง่ของภูมิศาสตร์โลกด้วยเพราะตัวเลขมันมันอนเอกนกนั้นลยเบิรนไม่จะนับยังไงะท่านบอกว่าอาสมไขที่หนึ่งอาสมไขที่สองอาสมไขที่สามก็มาเรื่อยมาจนถึงกับห้าสิบเก้ากับ อย่างที่บอกว่ากลับเดียวก็ยุ่งแล้วไม่รู้จะนับกันยังไงละแต่ท่านก็บอกชื่อซึ่งเป็นน่าสังเกตว่าชื่อนั้นเป็นภาษาบาลีล้วนๆแล้วก็มีประเด็นที่ควรกําหนดไว้อย่างหนึ่งว่าชื่อพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีชื่อพระสงฆ์ก็ ด, ชรรกดีชื่อสาวนสักพระก็ดีชื่อฉายาพระก็ดีหรือแม้จะชื่อยาดโยมทั้งหลาย อาตมาได้ แ, แจกวุฒิบัตรนักเรียนในบอ่อยก็ปีนึ่งก็อย่างน้อยกครั้งสองครั้งนะแจกบอ่อยเราก็อ่านชื่อเธอไปด้วยวันนี้ก็เออบาลีในข้าวปมีอิทธิพลเยอะเลยดนชื่อเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับปัญญาคุณบริสุทธิคุณกรุณาคุณของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ครัเรียกว่า ต aro, room, ัหังกะโรมาหาวิโรเมธังกะโรมาหาเรโซสนังกโรโลไกโตดิปังกโรจิตินโรเนี่นะตัังกรก็แสดงถึงบริสุทธิ์ที่คุณเมธังกรแสดงถึงปัญญาคุณสันังกรแสดงถึงกรุณาคุณที่ปังกรแสดงถึงกรุณาคุณอ่าวนธญะนั้นก็แสดงเอาปคุณคนไหนก็ได้นะแล้วก็มังคละก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ที่คุณ สุมาณะก็แสดงป็งการุณาคุณเรวะตะนั้นแสดงคุณข้ไหนก็ได้โสพิตะก็แสดงถึงปัญญาคุณหรือการุณาคุณคือมันมันมันมันจะมีหลักที่ควรสังเกตว่าอย่างหนึ่ง ว, ว่าความคิดของของที่จริงชาวโลกนะเพี่งยงแต่ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าตรงนี้คือพุทธคุณอย่างตัวอย่างง่ายๆว่าผู้ปฏิรูปการศึกษา มีกำหนดมีทิศทางในการพัฒนาบุคลารกรภายในชาติว่าเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขอยู่คนหนึ่งบอกว่าเก่งดีมีความสุข ก, ก็ก็สลับกันนิดหน่อยนะคือฟังแล้วเราก็ตื่นเต้นแต่ก็สงสัยว่าท่านที่พูดนั้นท่านเข้าใจหรือเปล่าว่าตรงนั้นคืออะไร พราะท่านเองก็รับมาเป็นพระลมรโชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ถ้าเรามองกาศาสนาเราเห็นว่าชัดเจนนะฮะว่าถ้าพูดถึงดีเก่งมีความสุขก็คือแปมอลมาจากอรหังสมาสมุทธโธภควาดีก็คือบริสุทธ์เก่งก็คือปัญญาแล้วก็มีความสุขก็คือใจที่ช่ำชื่นเบิก บ, บานใจที่มีเมตตากรุณา นี้สมมติจะสลับเะหน่อยสลับว่าเก่งดีแล้วก็มีความสุขก็แสดงว่าเรียนตำบทุทโธสุสุธโธกรุณามาณโวพุ ท, โ, ท, ธ โ, ท, ทาาโธก็คือเก่งคือรู้สุสุโธคือบริสุทธิ์ก็คือดีกรุณามาณโวก็คือเบิกบานคือกรุณานี่ใจแทมชืม่นเบิกบานเป็นที่น่ายินดีอย่างเด่น แต่ว่าแต่ว่าหลไรบางทีเราชื่อว่าชำนาญแต่ก็ไม่ค่อยชํานาญบางทีว่าหลงได้ไม่ค่อยหลงก็ชื่อคนก็เอานิยายไม่ได้บางทีไปชื่อว่เทียงก็ไม่ค่อยเที่ยงบางทีไปชื่อว่าอมอนแล้วไม่ตายก็ตายอะไรต่ออะไรเนี่ยคือชื่อเหล่านั้นเขาเจตนาจะให้เป็นสิริมงคลคือหมายความว่าเจ้าของชื่อจะต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาตน ให้เป็นอย่างชื่อที่เขากำหนดเอาไว้เป็นสาคัญเท่าฝั่งทั้งหลายตาลุมาพธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฝั่งทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี